อะสำหรับวันนี้เราเรียนกันเรื่องอนุสติสิทความจริงผ่านการ ส, สิทธิ์ประสบสิทิ์มาแล้วนะและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งประสบสิทที่ผ่านมากไปฟังไปทิ้งือว่าจําเป็นจะต้องใช้เพว่าปสบสิทเป็นกรรมาฐานสำหรับข่าราคาจริตเพื่อการที่รักสวยรักงาม ถ้าความรักสวยรักงามมันเกิดขึ้นก็ยนึกถึง้าสุขสิบการว่าสิ่งที่เราเห็นว่าสวยว่างามเนี่ยมันไม่จริงไม่มีอะไรสวยจริงไม่มีอะไรงามจริงสภาพคงที่ของบุคคลและสัตว์ตลอดทั้งทั้งวัตถุมันไม่มีเมื่อมันสวยงามชั่วขณะเดียวปเดี๋ยว ก, ก็ถึงความเศอ้ามองอันนี้ทิ้งไม่ได้ว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกติดอยู่ในความสวยสดสุกงามที่เป็นเรื่องธรรมดา และจะอยอพกกระยางยิ่งกับสินสีืุวรรณะกับสินกับสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอันนี้สำหรับระงับอะไรโทสาจริตนี่ศึกษาไปแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยถ้าเราฟังแล้วไม่ปฏิบัติผลมันก็ไม่เกิดเนื้อการบวชละกอนหัวผมพอเหลืองจะไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยก็ไม่มีอะไรเป็นผล นี่เราทำตนเหมือนพระแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างพระผลที่เราจะพึงได้ก็คือเอเวจีมหานรกเ <c oughs> พราะอะไรแล้วหลอกลวงหลอกลวงเชื้อบ้านเขาหากินกินข้าวของเชื้อบ้านที่ตั้งใก่บูชาวรัตน์ไกรพระเรามีโทษหนะนักมี เ, เวจีเป็นที่ไปท่านี้มาว่ากันถึงอนุสติคําว่าอนุสติ แปลว่าตามนึกถึงจำไว้ให้ดีนะคําว่าอนุสติเนี่ยแปลว่าตามนึกถึงอนุแปลว่าตามอานุนี่เขาแปลว่าสามอย่างอานุน้อยภายหลังตามแปลว่าน้อยก็ได้แปลว่าภายหลังก็ได้แปลว่าตามก็ได้สติแปลว่านึกก็ตามนึกถึงตอนนี้อนุสติมียีสิบประการ เรื่องสิ่งที่เราจาจะต้องตามนึกถึงอยู่เสมอ <c oughs> แต่ถ้าว่าเราจะเลือกตามมันก็ได้ตามปัิญาใสอานุสติสิก็คือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าสองธรมมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมสามสังคานุสตินึกถึงความดีของพระสงฆ์ห้าศีลานุสตินึกถึงความดีของศีล อกยาคานุสตินึกถึงทางการบริจาคเป็นอารมณ์หกเทวตานุสตินึกถึงความดีของเทวดานี่ทือก็บอกว่าการตั้างสามพรภูมิไม่เป็นผลขัดคำพูดทีเจ้ า, าตอนนี้พระภูมิก็คือภูมิเทวดาเทวดาหางแถวหน้าดีกว่าคนหัวแถวเพราะเรามีสภาพาทุก อ, อย่างเป็นที่ เมื่อใครก็าถามอาการยกพระภูมิมีผลหรือไม่มีผลก็ต้องตอบรู้ว่าถ้าเรายกพระภูมิแล้วเราบูชาพระภูมิหรือว่าเราใช้พระภูมิถ้าก็ยกไปเพื่อใช้พระภูมิก็บอกเขาว่าไม่มีผลถ้ายกแล้วบูชาพระภูมิไม่มีผลไม่จะว่ากันตอนนุ้สติตอนนั้นแต่วันนี้ไม่ถึงอก็อดีเจ็ดมรณ า, านุสตินี่ถึงความตายเป็นอารมณ์แปด อุปสมานุสตินึกถึงความสุขในพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้นี่เก้ากายยากตานุสตินึกถึงกายร่างกายคือการสามทีสองเป็นอารมณ์แล้วก็สิบานาปานุสตินึกถึงลมให้ใจเข้าออกเป็นอารมณ์นี่สมบัติอนุสติเต้มหกประการไ ป, ป็นปาติบ <c oughs> อนุสติต้งสิบอย่างนี้ท่านแบ่งแบ่งไปแบบนี้นะสาหรับพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติากาขานุสติเทวทานุสติรวมเป็นหกอย่างด้วยกันนี่เหมาะสําหรับคนที่มีมีอะไรมีอะไรวะเกริญมีเจริญอะไรนะ อนุสติ6เนี่ยอว่าเราเจริญอะไรไปนึกออกมั้ยห้าต่งางๆได้ในริมแน่ศรัทธาจริตนะผมนึกไม่ออกองถามทำไมถามไปถามมาผมกได้ผมกต็ตอบผมเองใช่ไนี่ห่อนักเทศง์นีนึกไม่ออกโตเตโตเ ต, ต, ต, ตไปพักม้ำโขลมาอีกนี่เจริรียกว่าอนุสติ6อย่าง เหมาะสำหรับคนที่มีศรัทธาความเชื่อได้ เ, เชื่อว่าบุญมีจริงกุศลมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงหรือว่าเชื่อว่าการทําบุญได้ผลเือความสุขพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้แค่อนุสติหกประการนี้ประจําใจคือ่าอย่าเป็นพุทธานุสติการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคนได้ นึกถึงคุณประทานบันไดตั้งแน่นึกึึงคุณประสงคบันไดนึกถึงคุณขินบัไดนึกถึงทางการบริจาคบัไดนึกถึงความดีของเว้าบันไดบนไดอย่างนี้เหมาะสําหรับผู้ท่านมีศรัทธานี้สําหรับอีกสองอย่างคือภาวนาโนสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์กับอุปสมานุสตินึกถึงความดีของบริการ อันนี้เหมาะกับบคุคคลผู้มีจริตที่เรียกว่าพุทธาจริตคือเป็นคนฉลาดพุทธาจริตเนี่ยคนฉลาดแต่คนไม่ฉลาดให้ไป น, นึกถึงความตายก็ดีมาดีนึกไปแข่งตัวเองก็ตัวใหญ่ไปนึกถึงพระนิพพานเขาก็บอกพระนิพพานศูนนึกถึงทำไมากันแมวเรื่องนี้องเหมาะสาหรับคนฉลาดนสาหรับอีกสองคือกายะตาโนสติ นี่เหมาะสําหรับคนที่มีราคะจริตคือคู่กับอสุภกรรมฐานสำหรับอนนาปานุสติเหมาะสําหรับคนที่มีวิตกจริตกับโมหจริตอวิตกจริตเนี่ยมันคิดไม่ตกลงใจหาเวลาตกลงใจไม่ได้ว่าอะไรมันจะดีแน่ไม่แน่แล้วเ็โมหจริตที่มีอารมณ์ห ล, ลงเป็นประจำหากว่าเราจะไปใช้กับนิวรณ ไอจริตทั้งสองรายการนี้โมหะจริตก็ดีกิตกจริตก็ดีมันไปเข้ากันกับอุทธจักกุกุจัตัวฟุ้งซ่านน ล, ลำคาญเพราะนั้นถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านมีอารมณ์ลำคาญตัดสินใจไม่ตกลงให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานนี่สำหรับการเยริศกรรมฐานในสายสีย่สิท์มีจุดเลือกเฉพาะต้องปฏิบัติตรง นี่สหรักต่อไปนี้จะได้พูดจริตทั้งตอนต้นแต่วันนี้พูดทานุสติจบหรือไม่จบก็ไม่เอาไว้จบกระแดแต่พวกไม่จบไม่มาพูดทานุสติ <c oughs> ทันแปลว่านึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราจะว่าโดยเหตุทั้งหมดแล้วผลที่พึงได้การจากการเจริญนุสติมีอยู่สองแบบด้วยกัน ถ้าเราตามระลึกลนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าของประธรรมของประสงค์ของเสงี่ยของทานในความดีอุเบกขาดานึกถึงความตายนึกถึงคผลของสนิทพันนึกถึงกายการตายสุขเจรณาการสามิสองเป็นต้นโดยพระพ่อกลาวอย่างนี้ท่านบอกว่ามีคุณไม่ถึงปฐมไม่ชนันเรียกว่ามีกําลังไม่ถึงปฐมไม่นันเพราะว่าตัวนึกนี่มันเข้าถึงปฐมไม่ชนันไม่ได้ อย่างสูงที่สุดก็ได้เพียงอุปจาระสมาธิถ้าจะเรียกเป็นฌานก็เรียกว่าถึงอุปจาระฌานนี่ถากว่าเราพิจรารณาฌานนี้จะทำแบบถ้าว่าต้นนี้มาสมัยอาจารย์ท่านพระโบราณอาจารย์พูด ก, กันง่ายๆก็เรียกว่าอาจารย์ที่บรรลุถึงมรรคผลท่านที่ทําได้แล้วท่านมีความฉลาดพอ นี่ตามธรรมดาพุทธานุสตินี่เราพิจารณาแล้วไม่ได้ถึงฌานแ่่เกาเกรงว่าจะสิยเวลาเปล่าเพราะว่าอุปจาระสมาธิหรือว่าอุปจาระฌานถ้าเราได้แล้วอารมณ์มันไม่ทรงตัวมันโยกโครงง่ายประเดีนยวมันก็หนีไปให้เราเลยสอนสมัย <c oughs> แถมก็สิงเข้ามาด้วย หรือว่าเวลาจะนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบแต่นี่าการที่เอาจิตไปจับภาพอันนี้เป็นกระสินแต่ภาพนนั้เป็นภาพของพระพุทธนึกถึงเมื่อภาพนี้คือภาพพระพุทธนั่นเป็นพุทธานุสติพวกกันสองอย่างนี่อารมนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าและจําว่านี่เป็นภาพของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติ ในอารมณ์ที่จับภาพจะทรงตัวอยู่เป็นกระแสเป็นอันว่าภาพที่ทรงตัวอยู่ในสามารถจะดํารงจิตเท่าไรเท่าสุชาติที่ดีที่เรียกว่าจะสุชาต <c oughs> อันนี้เป็นความฉลาดขบันดาอาจารย์รุ่มหลังพราะว่าท่านได้แล้วถ้านต้มีความฉลาดพอติอย า, าทางที่มีผลน้อยให้เป็นผลมาก นะวก็เพราะว่าถ้าเราจเจริญพุทธาทุสติก็เลยได้ฌานไปด้วยเพราะเรื่องฌานไม่มีความสําคัญถ้าจิตก็เราไม่เข้างฌานเพียงอย่างเดียวการทรงความดีในเรื่องการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็มีน้อยดีไม่ดีบวชแล้วดันลงนรกไปให้บวชไปไห น, วนบวชไปสวรรค์เนี่บวชไปนรกแหม่รืึ ไอ้เห็นดันนรกมันเป็นแถวแถวสามโยมหลังเลยเอาเงินจะไปกูพื้นบวชหน่อยจะเ อ, อจาจกกิตเขไปกินเลยเห็น<ฮ>ไหมไอ้ยานมีนีน่อไอ้พวกสัตว์นรกมันเข้ามายุ่งเาัาก็เหลืองนี่มันมันแย่น่อยมันทำให้พระที่ดีที่งามคลอยเสียหายไปด้วย <c oughs> นี่พวกเราต้องการบวชไปสวรรค์ก็ต้องตรงจิตให้เป็นสมาธิแกนดับแรก ถ้าจิตสมาธิแล้วก็จะเข้าใจ ว, วิเศษอย่างยังไม่ถึงจุดวิเศษก็สมาธิเป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจควบคุมจิตสําหรับพิจารณาหาความจริงที่เราเรียกกันว่าวิปัสสนาญาณต้องทําจิตให้เข้าถึงปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาขันห้าจะั้งวางขันห้าทิ้งได้อันนี้นที่มีคิวว่าเราเข้าถึงความเป็นค่ะ ความจริงคําว่าพระเนี่ยเขาเรียกกันแต่ตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงประสดาบันนี่เขาไม่เรียกว่าพระเขาเรียกว่าสมมติสงแต่ถ้าหากว่าถ้าท่านผู้ใดเป็นพระวัตรเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามที่สุดสมเณีก็ตามปฏิบัติในสมถะกรรมฐานยิปัสนากรรมฐานท่านเรียกว่าพระโยคาวจร คือว่าคําว่าพระโยคาวาจรก็แปลว่าพยายามปฏิบัติความดีเพื่อความเป็นสัตว์นี่ยังไม่เหตพระกันนะถ้าจิตใจของเราเลวไปนิดเดียวลงนรกเลยก็ยังไม่เหตุพระนี่ <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันถึงพุทธานษษษษษษษษุสติกรรมฐานการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อันนี้เติว่าไว้เยอะผมไม่รู้จะพูดยังไงให้จบ ว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเท่าไราบ้างเขาบอกกันว่าคุณขพระพุทธเจา้ามีห้อย่างที่มีอิทธิพลเพราะัวอรหังสัมมา ส, สัมพุทธวิชาจริญสัมปันโนอะไรต่้เกียงเก้าข้อที่เราเรียกกันว่านาวหอรักคุณนี่มันยังไม่จริงไม่ครบเพราตามพระบาลีพระพุทธเจา้าจึงกล่าวว่าจะมีพระพุทธเจา้าสององค์ สมมติว่ามีพระพุทธเจ้าขึ้นมาสองอค์แล้วก็ใช้เวลาพัฒนาความดีซึ่งกันและกันในความเป็นพระพุทธเจ้านีอายุทั้งหนึ่งกับยังไม่จบนะเป็นนั้นว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะนับก็มีเจ้ามีศิษ ต, ตามที่นักปราชญ์เขานับกนันไม่ถูเพราะว่ามีพระบาลีที่เราสวดสีเสมอว่าพุทโธอัปมาโนธรรมโมออัปมาโนสังโฆอัปมาโน ขึ้นชื่อว่าคุณของเราพุาทธธรรมประสงค์มีหาประมาณนี้ได้ที น, นั้นเมื่อประมาณนี้ได้เราก็ไม่ต้องหามากต่คืนหามากนั่งพิจารณาไปไหลสิตตายหลายร้อยตายมันก็ไม่จบเราก็เลยหาจุดจบเอางอ่างยๆใช่ไหถ้ า, ายัางไงจุดจบกไง่ายคราบก็สามอย่างตามที่เคยพูดมาแล้ว ว่าสัพปะปาปัสสะการนังปุสราสูปัสสมัทาสกิตะป ร, ะะริโยตปันนงังเอตังทุธาลช า, าสนัง <c oughs> หากิ น, นง่ายๆแบบนี้สบายกลิ <c oughs> ห่หากินยากกินมากมันจะกินก็กินง่ายๆฮะอันนี้ทำไมยิ่งแปลว่าสัพปปาปัสสะกรนังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งหมด ขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างทั้งฝ่ายโลกเราฝ่ายทำเราไม่ทํากุศลสูบะสมถาความดีทุกอย่างทั้งฝ่ายโลกเราฝ่ายทำเราทั้งหมดไม่เพียงเลือกเฉพาะฝ่ายธรรมะอย่างเดียวนะเพราะเรายนอยู่ในโลกเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าพ่อแม่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ยอมไหวพ่อไม่ยอมไหวแม่มันใช่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความดีทุกอย่างเราทําหมด จะจิตตกรฎิโยทปันนังทำจิตใจของไรของสายปราศจากกิเลสเอตังพุทธานศสาสนังพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าพระพุทธเจ้าทุกอง ท, ทรงสัจแบบนี้เหมือนกันหมดนี่ผมยืนยันข้อนี้กับว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองทต้องบอกว่าความดีของพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีเท่าไรก็ช่าง แล้วก็รวบยอดสถรติว่าพระพุทธเจ้ามีความดีคือสอนให้พวกเราละความชั่วทั้งหมดเล้าความชั่วให้ผลเป็นทุกข์ไอคนจะเรียนว่ายังไงะความชั่วให้ลเไม่สุขเป็นทุกข์บวชพระคนพราเยาตะตังมาทาพื้นบวชตึกโกเงินเข้าไปเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ฮะทุกข์ไงได้ตังไปนี่ถ้าจงองลงทุน เฮ้ยตกก์ตกตรงไหนอ่ะพบหน้าหยิบตะตงดีใจนะว่าในนี้โกมได้แล้วจะขออยู่กรุงเทพเนี่ยใชฉันอยู่กลายจีนบรีคือที่ไหนเนีเอาไม่ได้จิบแต่ว่าพอได้ตะตังไปแล้วเกรงว่าจะขออยู่พบหน้านะใช่ไหมเกรงว่าเขาจะรู้ว่าเราไปนอนที่ไหน เกรงว่าคนจะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับเห็นคนเดินมาเขยดหน้าเี็ดหลังก็ระวังระวัยใจหาความสบายไม่ได้จริงเึ็นที่ว่าความชั่วให้ผลเป็นทุกข์นี่ตัวอย่างง่ายๆนี้ค่ะว่าความความดีให้ผลเป็นสุขวันนี้เราเจอหน้าใครเราก็ยกมือไหวด้ด่พูดจาดีแสดงอาการอ่อนน้อม แค่ในี้ใครก็อดอาหารถ้าเราบังเอิญเรามีแล้วก็ส่งให้วันรุ่งขึ้นวันใหม่ไปพบหน้าเขาคนทั้งหลายเรานั่งเขายังมองหน้าแล้วก็ยิ้มก็ดีใจเพราะว่าผลความดีของเราวันนี้ใช่ไหมวันรุ่งขึ้นก็เกิดทีความสุขใจเพราะคนที่เคารพการส่งเคราะ์จากเราก็ดีเขาได้เห็นการไหว้พวกเราทําความเคารพในเขาตัวดีเขาก็ดีดดใจว่าคนนี้มีความอ่อนน้อมเป็นคนดี นี่บังเอิญเราจะหิวข้าวอายุปลายเขก็หาให้กินง่ายๆนี่พูดในฟังแบบเห็นันง่าย ๆ, ๆนี่ก็สุดท้ายสจิตตะปฏิโยทปันนันพ้าเราทำจิตใจผ่งใสจากกิเลสแท่กิเลสคือความชั่วของจิตไม่มีคาว่ากิเลสนเนี่ยแปลว่าความชั่วของจิตจิตที่มีอารมณ์เศร้าหมองเนื่องจากราคะความรักบ้าง โลภะความโลภบ้างโทสะความโกรธ บ, บ้างโมหะความหลงบ้างทั้งสามหรือสี่ประการความจริงราคะกับโลภะท่านรวมเป็นตัวเดียวกันเพราะ ม, มีอาการเหมือนกันคืออยากได้เท่ากัน <c oughs> นี่ถ้าจิตใจของเราไม่ยุ่งอารมณ์ตั้งสามหรือสี่ประการตามที่กล่าวมาแล้วใจมันก็จะเป็นใจสบายไม่มีโทษนี่คืความสุขใจ นี่ถ้าเราเน้ถึงคุณความดีของพระพุทธเจา้าเราก็มานั่งนึกที่พระพุทธเจา้าทรงสอนให้เราเคารพในศีลจะรู้ว่ารู้จักการบริจาคทานเราก็มานั่งนึกถึงผลว่าการบริจาคทานเนี่ยมันเป็นการทําลายทรัพย์สินของเราทรัพย์สินแตไละอย่างที่เราหาได้มามาก็ไปหาได้มามันเหนื่อยมันยากมั น, นําบาก แต่ว่าองค์สมเด็จพระพูมีพระพาเจ้าก็แนะนําให้เราให้ทานอันนี้อสมเด็จพระ毗ชิตมานพระองค์ทรงตรัสถูกหรือผิดนี่เราก็ไปนั่งนึกถึงผลไปการให้ทานนี่มีผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะว่าการให้ทานนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นักวิธีให้ <c oughs> ไม่ใช่ให้สมเด็จ ว่าการที่เราจะให้ทานนี่ต้องแบ่งทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนแต่ว่าแต่ละส่วนไม่ เ, เท่ากันนะด้วยทรัพย์ที่ท่านบอกให้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งใช้หนี้เกา่านะสองบรุงเจ้าหนี้ใหม่สามฝังไว้สี่ทิ้งเหว่แล้วเจยงว่าไม่ได้กินเลย นนือน้ำแย่เลยพรจะพุทธเจ้าว่าไงแน่นกาวไว้ในเรื่องเขาเป็นสัมดอนนี่นักเทศเขาเป็นสัมดอนพระพุทประหลัดของมันจำได้ไหมแล้วจะรองโชกอย่างเดียวือ <c oughs> นี่ท่านบอกว่าทรัพย์นี่ของเราต้องแบ่งไว้เป็นสี่ส่วนก่อนที่พระองค์จะลาทสนาเมสีเข้าไปอยู่ไป ว่าเจ้าจุ๋มที่ทพักที่เราให้ก็ดีวิดามันดาของเจ้าให้ก็ดีจึงแบ่งทรัพย์นี้เป็นสีส่วนหนึ่งชำระหนี้เก่านะแล้วก็บํารุงเจ้าหนี้ใหม่เอาฝังไว้แล้วก็ทิ้งเหวิชำระหนี้เก่าก็คือว่าวิดามันดาผู้มีพระคุณใช่ไหมที่นัานเลี้ยงเรามาให้กําเนิดเราเนี่ยเราต้องให้ท่าน บำรงท่านไม่มีความสุดเต็มกำลังเท่าที่เราจะคุณทำได้ <c oughs> แต่คนเราถ้าลงไม่รู้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาไม่ก็ไม่ครบมีห่อนถตื่นบางหลังมาเนี่ยเหลือเว้ยนี่นาจะย่องไม้แล้วนายิ้มๆมาถ้าตื่อมาเลี้อยอะไดีเหลือไม่ได้ นี่เป็นอ้าไม่มีใครเขาครบนะถ้าเราไม่ครบพ่อไม่ครบแม่เลยนี่ท่านบอกว่าทรัพย์เรามีต้องแบ่งบังงพ่อบังแม่ในอย่างหนึ่งสองบมงุงเจ้านี่เก่าก็คือไอ้ลูกที่มันเกิดมาจากเราถ้าเรามีลูกนะผมมีลูกเยอะนี่จะลูกจิตไม่ต้องให้อะ่ะมีแต่เขาให้ผมเื้อนี่พวกขันเสียท่าผมนี่นช่ไหม <c oughs> ถ้ามีลูกตัวเล็กๆลกมากว่วยโตผมมีบางทีฟันส่วนหักเนยโผล่มาเจ๋งเลครับผมไมด้คนคนเจ็งหนึ่งต้องมีอย่างนั้ น, นถ้ามีลูกแล้วก็บำรุงชื่อ เ, เจ้ า, น, านี่เก่านี่ฝังเอามาฝังไว้คํามาฝังไว้นี่ก็คือการให้ทานแล้วก็ทิงเหวียกินลงไป ไอทองเรามันเป็นเหวใหญ่ใส่เท่าไรก็ไม่รู้จักเต็ม <c oughs> แต่เหวที่ปรากฏตามตามธรรมชาติเนี่ยใส่แล้วมันเต็มค้นใส่ทุกวันทุกวันยำกับเราค้นอาหารใส่ทองเนี่ยไม่ช้ามาันจะซึ่งขึ้นมาเรียนน้อยแต่น้อยในทีน่สุดมันจะเต็มนับเวลาไปสิบสิบปีที่เราเกิดนี่มันต้องเต็มแน่แต่ไอเหวเล็กนิดเดียวคือกระเพาะของเราเนี่ยใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เต็มตอนนี้การที่เราจะให้ทานเราก็ต้องคันไมันซะก่อน ว่าเงินที่เราจำมีอยู่เนี่ยมันมีความจําเป็นแค่ไหนหรือว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่เราจะให้ทานดูก่อนก็มีความจําเป็นในการใช้สอยไหมถ้าว่ามีความจําเป็นถ้าเราไปให้พระพุทธเจ้าทรงตรําหนิว่าการให้ทานไม่ถูกไม่มีผลว่าให้แล้วเนี่ยเราเดือดร้อน <c oughs> ทานที่เราให้แล้วด้วยความเดือดร้อนทานอันนี้ไม่มีผล ทานที่จะให้ให้มีผลเวลาก่อนจะให้เราตั้งใจว่าจะให้เมื่อให้ก็เต็มใจในการให้เมื่อให้ไปแล้วก็มีเกียติความปลื้มใจต้องพร้อมเจตนาทั้งสามรายกา ร, น, ร น, นี้จึงมีผลดังนั้นทรัพย์สิ่นที่เราจะให้ทานเราต้องดูก่อนว่าเรามีความจําเป็นในการใช้ต่อหรือเปล่าถ้ามีความจําเป็นอย่าเพิ่งให้ให้แล้วมันเดือดร้อนนี่เป็นคติของพรจะสงฆมนะท่านสอนเราเราก็ต้องจํา แล้วก็นึกว่าการให้ทานมีความสุขพว่าให้แล้วคนผู้รับทานย่อมเป็นที่รักย่อมรักบุคคลที่ให้คือผลที่จะคุ้ได้ก็คือผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับใช่ไหมแล้วก็มีชื่อเสียงพุ่งขจรไปก็ถือว่าเป็นคนใจดีมีเมตาตากรุณามีความสงเคราะห์เวลาจะไปทําไหน ด้วยอันตรายก็มีน้อยเพราะมีคนรักมา ก, กว่าปีโยย่อมเป็นที่รักเนี่ยสมัญโหรเวลาจะตายคนที่ให้ทานอยู่แล้วเนี่ยย่อมไม่ไม่หลงใจเพื่อน่ายโง่ทานกายบุญสนใจผลตองใจคือมีทัศติยัะญญสมบูรณ์อันนี้ตัวอย่างมีเยอะคนที่ให้ทานเป็นปกติเพราะทา น, นัางจะกระโซทานนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าแปลว่าทานเป็นบันไดให้ไปถึงสวรรค์ไม่ใช่ถึงสวนนะทานให้มันดีนักเรื้อความดีไม่ดีเพราะอ่านเป็นสวนน่ะสร้างบุตรก็ขีดสร้างวิหารก็ขีตายแล้วไม่เคยมีสวนนักเรื้อความมันอ่านยากให้สร้างบุตก็ดีสร้างวิหารนี่ก็ดีตายแล้วไม่เคยบงสวรรค์ออได้ ด, ได้วยตีนนักเรื้อควาก็ต้องดูตีนมา ตีนมันยุ่งยุ่งไอ่านไม่ออกดอกตักก็สร้างโบ ร, โรกรีจีดทวิหายนกที่ตายแล้วจะเกิด็นสวนกายก็จะเกิดไป่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นน้นว่าการให้ทานเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทรัพย์สินมันเหมาะสมในการให้ไหมและคุณยักษ์เขตตังต้องเลือกเอกนื้อนาบุญต้องดูเขตที่บริสุทธ แต่เกตไหนไม่บริสุทธิ์เราให้ไปก็ไม่ต่างอะไรกับว่ายข้าวบนยอดเขาที่มีแต่หินแท้รือ ว, ว่ายข้าวในกลางมหาสมุทรมีแต่น้าลึกข้าวมันก็ฟินไม่ได้ข้อนี้ก็มีอุปมาอชั้นใดการให้ทานก็ไม่กันต้องเลือกที่ให้เมื่อให้ทานแล้วยอกเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นเมื่อเขาชอบใจเขารักเราเราก็มีใจสบายเพราะอันตรายไม่มี ให้เวลาจะตายคนนี้ให้ทานนี้ให้ทานเป็นปกติแต่ว่ามิคืงทานความดีที่เราให้พกคนที่เวลาจะตายเห็นทางกาเห็นเทวดาเห็นวิมานนี่ผมรับรองนี่เราไม่ได้พูดท่านจ า, การกรุมสติกรรมฐานแต่ว่าพูดถึงความดีที่พระพุทธเจ้าสอนเราให้ทําความดีนี่อันดับหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้เคารพในสิ่ง ไร้สีเนี่ยตามสมรณดาความจริงวันนี้ไม่ได้พูดทั้งสีลานุสติแต่ว่าเป็นความดีที่พระพุทธเจ้าบอกก็ภ่ายกันไปพระองทรงให้ยอมรับนับถือความปรารถนาในสิ่งกันอะไรกันแราคนลราใจคนดีที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเราหรือว่าทำร้ายชีวิตเราแลวก็ทำให้บอกตาม รายการที่สองเรามีทรัพย์สินอยู่เราไม่ต้องการให้ใครมาโคดมาโกงหรือว่ามายื้อแย่งมารักมาขโมยรายการที่สามเรามีคนรักเราก็ไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งคนรักของเรารายการที่สี่เราต้องไม่ต้องการให้ใครมานั่งโกหกให้เราฟังรายการที่ห้าเราไม่อยากบากอาจารย์นี่ชาตดีนะ เก็ไร้สติสัมมัชนะพูดฟังยากไอ้คนไม่มีสติสัมมัชญยะและ้วสติสัมมัชญยะไม่สมบูรณ์ก็คุณมาบาปไม่ใช่ภาษานี่สบายกว่านี่คนแลสัตว์ทั้งหมดที่เกิดมาในโลกไม่ต้องการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตอนนี้ในเมื่อเราเองก็เป็นผู้ไม่ต้องการให้ใครมาทาลายชีวิตมายื้อย่างทรัพย์สินของเรามายื้อย่างความรักมันน่าโกหกโมเตสเราไม่ต้องการความเป็นบ้าปใย บ้านกั่งแล้วนี่อยากจะถามว่าใครที่ไหนมีมาที่เนี่ยที่นั่งนั่งอยู่แบบเนี้อยากให้หัวกระโถนข้างหัวแล้วมีไหมเล่นเอาไหมอยากไหมไม่อยากเลย น, นี่ไม่มีนั่งนั่งอยู่ดีๆพวกขี้มาฝ่าใจหัวถ้ามันกระโลนข้างหัวมั่งไม่มามตีหัวอันนี้ไม่มีใครต้องการ น, นี่เป็นอันว่าการที่จะทำไร้เขาเนี่ย ต้องนึกถึงตัวเราว่าเราเองไม่ต้องการให้เขามาทำร้ายเราเขาเองก็ไม่ต้องการให้เราไปทำร้ายเขาเหมือนกันเป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีลก็ให้เคารพในสิทธิเช่นกันเลยกันถนน้องความถนน้องน้ําใจเช่นกันเลยกันไว้เพราะเรามีความต้องการอย่างไรเขาก็ต้องการอย่างนั้นหาว่าคนใดมีศีลคนนั้นก็มีความสุขเราไม่ทำร้ายเขาเราจะมีศัตรูที่ไหน เราไม่ลักไม่ขโมยเขาเราจะมีศัตูมาจากไหนเราไม่ยื้อแย่งความรักเขาเราจะมีศัตูมาจากไหนเราไม่โกโหกหมดเท็จวาจาของเราก็ดีมีคนเชื่อเราไม่บ้าแค่อีกอย่างเดียวเราไปไหนเราก็ไปได้แล้วราความจริงคนบ้าดีเนี่ยกฎหมายไม่ตยองโทษที่งไงถ้ามีในก็ไม่ยอมโทษพระบาาถ้ามีในไม่ปรับ คนบ้า ก, กฎหมายไม่ลงโทษแต่ถ้าคนอยากบ้าไม่ได้เพราะมันไม่มีเนกลับหน้าเท็เ่ว่าสัพพะปะปาปสะกรณนังเราไม่ควรทำความชั่วทั้งหมดนี่มันเป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราและสอนเรามีความ <c oughs> สุขกฎสระสุวะสมทาเมืม่อเราไม่ทำความชั่วแล้วเราก็สร้างแต่ความดี นี่บนเรื่องความดีมันเป็นเหนได้ชัดเอนการให้ทานเนี่ยเป็นที่รักของคนเรารักษาศีลก็ย่อมเป็นที่รักของคนนี่ว่าคุณของพระพุทธเจ้าต้องของ พ, พุตธการนี้มากนะแล้วต่อกไปในพ่อสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าทําจิตของเราให้ผ่องใสอยู่สเสมอจงอย่าทําจิตใจของเราให้ขุน่นโง่เพราะอะไรรู้ว่า พระบารีมีว่าจิตเตสังนิเทสชาวสังคีติเทศทุกขติป า, ายกังขานถ้าจิตของเราเศร้าหมองแล้วเวลาตายย่อมไปสู่ทุกขติ <c oughs> ใช่ไหมเราจะสร้างบุญสร้างโอสฐ์เมื่อสัตรก็าตามถ้าเวลาจะตายถ้าจิตของเราเศร้าหมอง้วจะมาโลภความโลกก็ดี เดิมนาราคะความรักก็ดีเด้มนาโศกศาสความโกรธก็ดีเด้มนาโมหะความห ล, ล, ลงก็ดีโลภะความโลภที่เราทรัพย์สินทั้งหลายเ่านี้ที่เราหา ม, มันได้เก็บได้เวลานี้เราจะจากกันไปจะแล้วที่ได้มาห <c oughs> วงให้นนของให้นี่บ้างสร้างไว้สวยๆเกรงว่าจะลูกลูกจะรักษาไม่ได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่เกรงว่าบคุคคลทั้งหลังจะปกครองไม่ไหวอะไรย่นเป็นต้น นี่กำลังของความโลภ ก, ก็เข้ามาทักใจใจไม่สบายตัวอย่างเช่นพระที่บวชอยู่ในพระพุทธศา ส, สนาองค์หนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พ <c oughs> ระองค์นี้สร้างความดีไว้มากหรือว่ามีศีราจารวัตดดีแต่ว่าเป็นพระบุรุชนคำว่าพระบุรุชนนี่ก็หมายความว่ายังมีอารมณ์ไม่ถึงประโสดาบัน อันนี้วันหนึ่งท่านตายท่านอยากตายหรือเปล่านี่ผมไม่ได้ถามเท่านั้น <c oughs> ไม่รู้ว่าอยากตายหรือไม่อยากตายแล้วก่อนหน้าที่จตายเนี่ยโยมถวายจีวรแพรมาหนึ่งตัวแกใช้หรือยังก็ไม่ทราบตา ม, มพระบาลีบอกว่ายังไม่ได้ใช้หน้าจีวรแพรใหม่มาแค่จิตใจของแกก็รัดจีวรแพรเพราอยากจะได้ได้บอกโยม คามจิงบอกโยมบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกญาติขอก็แบบนี้ไม่ผิดก็มีนายถ้าคนที่ไม่ส่ญาดเขาไม่ได้ประวรณาใบขอผิถีพิถันใช้ไม่ได้นี่ญาติโยมก็ส่งจีวรแพรมาให้เวลานั้นเป็นเวลาพอดีกับเพ่งกําลังป่วย <c oughs> นี่พรได้จีวรแพรไม่ทันใช้ตายทุกขจิตนั่นงกัรงผิดตายง้อเลย ในเวลาก่อนจะตายใจก็ต้างไปเกาะอยู่ที่จีวรแพรไปเกาะอยู่ตรงนั้นเพราะจากักจิตมันจับอยู่ที่จีวรแพรความจึงมีศีลบริสุทธิ์มีไปสวรรค์ไม้สบายศ <c oughs> ีเลนสุขสติยันติการรักษาศีลบริสุทธิ์ศีลนมันดันให้เราไปเกิดบนสวรรค์แต่อนี้ไม่อย่างนั้นเวลาตายอารมณ์มันสศรมองที่ไดยจีวรแพร่จิตเกาะ อ, อยู่เออที่ผ้ามันยังไหม่ เรายังไม่ได้ใช้โยมมาให้นี่เราก็จะตายไปแล้วเนี่ยเส้นด้จีวรแพรพอจิตออกจากร่างมันก็ไปอยู่ที่จีวรแพรอาการที่อยู่ไม่จเจ้าจิตไปเกาะไปเกิดเป็นเลนตัวเล็กๆที่มองไม่เห็นที่โบสถ์พระกับแย่นะไปเกาะอยู่ที่ตะเข็บของจีรรรวรแปรเวลานั้นเมื่อพระตายแล้วก็ถือว่าของทุกส่วนของพระเป็นของสงศ์ ถ้ายังมายกให้ใครถ้ายกให้ใครตัวยกให้ก่อนตาย <c oughs> แล้วมอบหมายให้ยกให้กันไปเลยถ้ายังไม่ยกให้ใครต้องถือว่าเป็นของสมทั้งหมดนี่บรรดาพระทั้งหลายก็มาจัดดูว่าเก้านี้มีสมบัติอะไรบ้างสมัยโน้นก็ไม่มีอะไรมากหยิบไปหยิบมาหยิบมาหยิบไปของไอ้น่อยกับใช่ของนี่กับใช่ของใช่ของพระนั้นก็ไม่มีเรื่องเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงไปนั่งเป็นประธานอยู่ พอหยุดกีวอนแพรเท่านั้นแหละไอ้เจ้าเลนตัวนั้นมันบอกไอ้โจนไอโจนไอ้โจ น, โจ น, โจนพวกนี้ส่งกีวอนกู้เอาเขแล้วทิแต่ว่าพระทั้งหลายแล้วนั้นไม่ได้ยินเพราะขาดจากทิฏจิจุญาณคือหูเป็นคิดมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ทรงอพิญญาอยู่แรือ<ช><ช>ว่าพระโสพลาภาษารีบท่าที่ทรงพิญญาพิเศษไม่ได้อยู่ด้วย <c oughs> เว่าตามปกติท่านแยกไว้กันอยู่ไม่ได้อยู่รวมกับพระพุทธเจ้า ถานานๆก็จะมาเข้าพระพุทธเจ้าสักทีนี้่เวลาพระเจ้านั้นตายก็มีพระพุทธเจ้าผป็นประธานที่ทรงทิดอยู่ขุยาณเป็นพิเศษมันดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นพระปุถุชนเหมือนกันไอเจ้าของที่วอนมาน้องว่าไอโจนไอโจนไม่ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงได้ยินพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่พวกคุณพวกเธอทั้งหลายเนี่ยถ้าของชิ้นอื่นนํำมาไปได้ อาไปรวมไว้แด้วว่าจักสันให้เป็นเรื่องของสงโดยเฉพาะใครจะไปยึดถือเป็นส่วนตัวไม่ได้ก็เป็นของสงเวลาจะมอบอะไรให้ใครต้องไปชุมสงก่อนเห็นว่าใครสมควรจะเป็นผู้รับจึงจะรับได้ถ้าสงตกลงกันแต่ถ้าว่ายกีวอนแพตัวนี้ห้ามหยิบนะห้ามแตะต้องทางแดบัดนี้เป็นต้นไปกว่าซึ่งกว่าจะเลยจิตปันไปแล้วเพราะอะไร เพราะอ้เจ้าเลนนี่มันมนีอา ย, ยุยาวมากเจ็ดวันนึนะอนะไปนั่งเฝ้าจีวอรอยู่ได้พราเลยเจ็ดวันไปแล้วเจ้าเล่นมันก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอนาจของศีลแม่นี่จิตเตะสังยดิเภ ท, ทุกติปาริกราถึงแม้ว่าเราจะทาําความดีอะไรก็ตามถ้าอารมณ์หุน่นอารมณ์ใจของเราไม่ผ่องใสเนี่ยบุญมันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน มันก็ย่อมไปเกิดเนกบฏในฉานิดนึงนะนั่นแค่ที่เราเกาะนี่เขาเกาะจีวร น, นะถ้าไปเกาะทับใต้แผ่นดินแล้วก็ไปมลเหลืองเล้อแถวนั่นแหะไม่ตรงเกิดถึงกว่าใครเขาจะขุดตะกอนได้เหไหมนี่ใครเอาทับไปฝังไว้ที่ไหนนั่งมั่งเรามาบอกผมผมจะไปขุดมาใช้ไอ้พวกท่านไตโมนเหลือลงลำบากเฮ <c oughs> ้จำไม่ดีนะอพวกทัตยาจึทรงแนะนำว่า จงรักษาจิตใจของเราโปร่ปงใสถ้าจิตใจของเราสบายวางความโลภเส่นได้วางควารรมรักเช่นได้วางความโกรธเส่นได้วางความหลงเช่นได้อารมณ์มันก็ไม่ขุ่นโมวถ้าเราไม่ขุ่นโมยจิตใจก็โป่องใสตามพระบาลีทรงรับรองว่าจิตเตปริสุเทสุขติปาทิกัารา เมื่อเวลาก่อนจะตายถ้าจิตใจของเราไม่เศาหมองมีอารมณ์ผ่องใสเราก็ไปสู่สุปติโลกสวรรค์อันนี้ตัวอย่างที่ท่านสุปฏิอิตตาเทพประบุ <c oughs> ที่ผมใช้คาว่าท่านสุปฏิอิตตาเทพบุตพรู้ว่าเวลานี้ท่านเป็นพระอาเรชจา้าอีตานี่สมัยเป็นคนไม่ไหวถ้าผมเจอหน้าผมก็ไม่คบแต่ อะไรเพราะว่าต้มได้เกิดมาแกเป็นลูกขนชาวประมงนะ ไ, ไอชาประมงนี่ก็หากินอะไรคุณจรินชาประมงก็หากินแบบไหนแต่ปลาแหละเต่าไม่เอาเอันเดีอย่างเดียวมันแปกหากินแบบไหนวะจับน้ำเลยจับบอกไม่เอาถ้าหมาตกน้ะ หมาตัน้นไม่หมาน้ำนะเวืาหาสิ่ในการฆ่าสัตว์ชีวิตประเทศสัตว์น้านะจะจับปลาจับเต่าจับอะไรเหมือนกันนี่แกมาเกิดในใดคนนั้นแกไม่ใช่แต่เลวแตเพียแค่จับสัต์น้าอย่างเดียวแกเลวมีความเลวทาลายความดีของผูกคนอื่นทั้งด้วยเน่าสิ่ทั้งห้ารายการเนี่ยแกปฏิบัติครบ <c oughs> อันนี้ว่าปฏิบัติครบเนี่ไม่ใช่รักษาถิงครบหรอขาดครบใช่ไหมยังไม่ดีนะใครสัมว่ปฏิบัติครบไงนะข้าสักก็เอารักสักก็เอาโกงเขาก็เอาแต่เขไม่ได้บวชอันงนนี่เขาไปทำพื้นบวชเขาไม่ได้โกงซะไม่เกี่ย ว, วมันลายนะต่ น, นี้าพฤติผิดในกรรมก็เอาโกโหกมดเท็กก็เอากินเหล้าเมายกาก็เอา ถ้า แ, แถมดีไปกว่า น, นั้นใครเขาบอกก็จะให้ทาบุญแกล้งได้ยินแล้วแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเห็นแล้วแกล้งทําเป็นไม่เห็นดีไม่ดีเขาสแสดงธรรมะธรรมบัวเขาเที่ยงันเขาปราลบรุ่มธรรมะแกเขาแกล้งไปส่งเสียงอีอะวนวาย <c oughs> รบกวรสร้างพาําพันเอาเสียงไปกดเขาทําแบบนี้มาจนยันตายเวลานั้นเป็สมัยเวลาที่พระพุทธกจศพ พระพุทธเจ้าสัมมานามพระพุทธองค์ทรแล้วจะ ส, <c oughs> สร้างฐานะดีมากใกล้จะเป็นระดับเศรษฐีที่มาตอนหลังทางไหนแกลงไปจะตายทีนี้ป่วยหนักมันก็เจ็บน่นมันก็เจ็บนี่มันก็แย่ลูกก็มาลอ้อมทางข้างเมียก็นั่งข้างๆ ข, ข, ข้าท่าสหญิงชายนั่งล้อมกันหมดหมอก็นั่งอยู่ แต่ถ้าว่าไม่มีใครช่วยบรรดาวรันเทาทุกเวทนาได้เลยใครเขาจะไปนั่งแบ่งได้ก็าแกเจ็บเงอนเดียวนัง แ, แกยไแกไม่แบ่งใครนันมามาตอนนี้แหละนี่แกแสดงว่าแกชั่วตั้งแต่เริ่มต้นนะแล้วก็ชั่วจนวันสุดท้ายและเวลาประเดี๋ยวเดียวก่อนนี้แกจะิ้นลงปราด ตอนนี้แกนอนลุกไม่ขึ้นแล้วก็มานั่งนในใจว่าเออไอ้ทรัพย์ทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยหาไม่ถึงทั้งเกือบจะเป็นมหาเศรษฐีแล้ว <c oughs> เวลาเราป่วยไข้ไม่สบายทุกเวทนานหนักที่มันก็ช่วยเราไม่ได้นี่ทั้งลูกทั้งเมียเรามานั่งร้อมข้างๆก็ไม่มีใครมาแบ่งเ บ, งบาภาระได้ <c oughs> และก็นนที่สุดทรัพย์ทิ้งทั้งหลายที่เราหามาก็ช่วยไม่ได้หมดขา ไปไปมาม า, มาพระนะมันดีอยู่ตรงนี้นะดีตอนนี้เขามีทุกข์นะแต่คนนี้เขามีความสุขแล้วเขายังไม่เห็นความดีของพระนี่ผมพูดทรงเดชแต่จริงไม่จริงเหมือนแต่ส่วนใหญ่คนที่มาหาพระช่วยรดทุกม์มันมีทุกข์เขาครูประหลักทองนะก็มีสุขมันไม่มากันหายหน่าไปหมด นี่ต่างเหมือนกันอิตนนี้เวลาจะษตรตายทุกเวทนานนะ่ะก็มันนัง่งก็นอนไม่กับนั่งไม่ไหวแล้วเออเวลานี้ลูกเมียก็ช่วยไม่ได้ลับหญิงก็ช่วยไม่ได้ข้าข้าบหญิงชายก็ช่วไม่ได้เราเห็นในอินเขาพูดกันว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์เนี่ยย่อมมีเมตตาในบุคคลที่ได้รับความทุกข์เห็นดีตรงนี้ อ, อีตอนนี้เราไม่มีที่พึงแล้วขอถึงบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง นี่หมดท่าเขาแล้วนะมันเงินก้อนเข้ามาอะไ ร, รสร้างโบสถ์วิหารการเรียนทําอะไรก็ตามดีไม่ดีพลาดเทศิตีปิ๊บจบเก่งซะเลยขอแค่ น, นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดเท่านั้นแหละใจกแกจับไวจริงๆเหมื่เล่าคนตกน้ําเนี่ยกลางมหาสมุทรได้โยนอะไรไปให้เกาะมันก็เกาะเกาะแล้วก็เกาะแน่นเพราะคิดว่า วัตถุนี้ถึงแม้ว่าจะเล็กก็าตามอาจจะพยอย่างที่พิธันประทังที่พิชัลอยส่งอยู่ได้อาจจะมีใครมาช่วยได้นี่ก็เหมือนกันตอนนั้นยังนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เวลาไม่นานไม่กี่นาทีแต่ก็ตายความชั่วดีทําไว้มหาศาลแต่ถ่าเรเวลาเวลาจะตายจิตใจไปนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าที่ได้คำว่าพุทธานุสติกรรมฐาน แค่นึถึงความดีพระพุทธเจ้าเป็นคารวะว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยข้าพระพุทธเจ้าด้วยเวลานี้มีหนักเพียงเพียงเท่มีเองแค่ก็ตายผล ค, ความดีนิดเดียวที่จะนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าแกไปเกิดบนสวรรค์เช้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคํามีนางฟ้าห้ารอยเป็นบริวารนะฮะเสะผ้าได้สบายเลยสวยก็มียเก่าซะเยอะแล้วตั้งห้าร้อย ทั้ไงไหนแหมมันน่าไปเนี่ยถ้าอยากไปไหมไปก็ต้องคิดขียาระมังกําลังให้ดีนะเดี๋ยวข้าไม่รับรดีไม่นีแกอากิตส่สงความดีไม่เสมอกันถูกซ้อม่แย่นี่แกเป็นเทวดาแล้วนี่เพราะอะไรขอเล่าจบไปเลยลัด ๆ, ๆนะกันไมแกสรงความเป็นเทวดา และก็อยู่เป็นเทวดาทีาทนี้ไอ้คนเรามันเลวไปตั้งแต่ความเป็นมนุษย์เลยนั่นถือว่าความดีนิดเดียวก็จิตเราผ่องใสนะเราสร้างความทั่วไว้มากกว่าจริงแต่ถ้าว่าเวลาใกล้จะตายและก่อนจะตายเนี่ยถ้าเราใช้อารมณ์ผ่องใสเกาะอยู่ในคุณธรรมความดีมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นีพูดเรงคุณของพุท ธ, ธานสุสติธรรมะท่าน ไม่อารมณ์จิตมันผองใสตรงไหนที่ว่าอารมณ์จิตไม่เกาะส่วนที่เป็นกุศลเพราพระพุทธเจ้าท่านเป็นอัจฉริยะนี่เป็นพระดี <c oughs> เมื่อเกาะท่านแล้วท่านมีแต่บุญท่านไ ม, ม่มีบาปมาได้เกาะบุญเข้าจะมาไม่ได้ทําบุญอย่างอื่น ใ, ในใจยังเขถึงตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอะไรเจตนาหังพิจเวปุญญะมัทธรรมนิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวบุญเห็นไหม การตั้งใจเนี่ยเป็นตัวบุญท่า น, นผมจึงใช้วิธีทำบุญสง่งผ่อนให้ชาวบ้านเขารับได้นันพันได้นี่มืน่นก็รนั้นร้อยจะตามใจครับเขารับว่าิตญางจะช่วยแต่ว่าฉีดของเขาถ้าเขาให้เงินยังไม่หมดและยังไม่ได้ให้เลยแต่ก็คิดว่าเขาจะทำบุญเอาตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำบุญถ้ามาเออเขตายไปก่อนคนนั่นก็รับสมบูรณ์ที่เราตั้งใจถูกก็ไม่ใช่หาประโยชน์หลอกกระตังชาวบ้าน <c oughs> ถ้าเขาให้ยังไม่ให้เลยเขาตายไปเราก็ไม่ต้องไปทวงกับลูกกระหล่งเขามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปทวงต้องการอย่างเดียวให้คนนั้นอาจิตเกาะและ้วกบุญเท่านั้นเขาจะให้ครบหรือไม่ครบก็เฉ่งหรือไม่ได้ให้เลยก็เฉ่งเราต้องการอย่างให้เขามีความสุขเพราะเรากินเก้าวกินข้าวของเขาเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใช้ก็คน ง, งบบ่ายงยสบายขึ้นวิีหาการเรียนที่เราอยู่ก็ ง, งบบ่าย่ายสบายเขาก็สนองคนเขาบ้าน ตอนนี้ว่าจิตผ่องใสตามาพระบาลีว่าจิเตเจปาลีสุทเทศสุขติปาติการขาอีต า, น, า, ใ น, ใ น, านั่งะจในเกิดเป็นเทวดาได้เนี่พอเกิดเป็นเทวดาแล้วเมื่อเป็นคนเจริญเรวก็มีความประมาทนี่เป็นเทวดาก็เลยเป็นเทวดาลเร็วๆอีกทำไมเขาไป น, นอนตีภูงสบายใครเขาจะทําบุญสุนทานสร้างบารมีเพิ่มเติมกันอีตาสุขติทิตาเทพประ บ, บ ท, นนที่ว่านอนตีภูงไม่เอาใทหืม มีพ่อบูดนะไอ้เป็นคนบูดเทวดาก็เทวดาบูดแต่่าที่แกบูดจะเบิดสดีกับผมนะนะทมาเวลานี้แกไม่บูดทงขี้ต้องเดียวผมก็อบูดตงขี้ต้องเดียวนี่ต่อมาสมัยพราพระเจ้าเราอู บ, บ่ายขึ้นประเทศตจวพระพุทธมารดามีเทวดาทายกองหนึ่งเวลานี้ยังอยู่โอ้นีเป็นพระนาคามีเวลาเนี่ย ที่รู้เรเทวดาทายกผมเจอหน้าแกทีไรผ ม, ผมเลยไงแล้วเทวดาทายกแกยิ้มแกก็รอผมอผมจะเป็นอะไรก็จ้างผมดีกรทัาไม่ต้องเดินไปทนบาตเจ็บไม่ต้องร้อนไม่ต้องหนาวไม่ต้องหัวล้านอย่างนั้นไม่จะเบ่งแค่เลยไม่อีานีจะเกิดเป็นมนุษย์มาอะไรจะโกนหัวให้เกลี่ยแต่ว่าเป็นนาคามีพราไม่มาแล้วนะเพราะมุ่งนิพพานบนสวนรรค์เจ็บแล้วเจียใจ ให่ใจดีท่านให้นามว่าอาก า, ารสจรีเทพบุตรแต่ความจริงชื่อจริงๆนั้นท่านไปยังไงไม่รู้นี่กุ้งแกที่เรียกว่าเทวดาไทยยกพว่าแกนั่งฟังเทศพระพุทธเจ้าอยู่พักแกก็หอกไปไอเวล า, กาเกิดกุบร์ดาเทวดาทั้งหลายที่ยังไม่ได้ทราบว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าขึ้นมาโปรดแล้วทําไมไม่ใไปฟังเทศต่อบุญบา ร, รมีกันไปบอกเขาวเขาชั่วขณะหนึ่งแล้วกลับมานั่งฟังเทศหม่ ฟังแค่พจุใจแกก็เหาะต่อไปอีกพระประกาศแกโฆษณานั้นยิ่งได้นามว่าอากาศจารีเทพประมุแปลว่าเทวดาพวกของปนาาน็นอากาศอีตาเทวดาข่ายกองเห น, อเอ น, นือเดี๋ยเดี๋ยวไม่เิดเรื่องพึ้นหน้าโกรธกเด้นไปหน้าโกรธเขนหน้าตั้งท่ามวยอันนี้หน้าพวกตุลางค์เนี้ <c oughs> โดยมากไปเอาใครเท่าเขาตั้งางมวยตรงนั้น พอผมที่ต้องเข้าทำนั้นใช่มมันะมวยไปมวยกันพี่นักเกรงทางตัวไข่ไนั่นเกงงรนะเกงใหญ่เนี่ยไม่ทากตัวไข่อะัวทาไมแล้วหลบลงมาถ้าแกไปกล้าตามลงมาอเหม็นขี้เหรอเฮ้ยนีคนก็เหม็นี่นเหมนมเอียวกันไปมานี่พอไปเจอวิมานของที่้ท่านสุปฏิทิเทพประพตเข้าเห็นวิมานเศร้าหมอง เทว ด, ดายาตายในเครื่องทิพย์เศร้าหมองวิมานเศร้าหมองมีเหงื่อไหลจา ก, กระแระขึ้นบุญและมีความโกรธโกรธก็ไม่ได้เทว ด, ดาตายเวลาสามมุตานธรรมดาเทว ด, ดาไม่มีเหงือ่อไม่อาบน้ําร่างกายก็หอมตลอดเวลานี่เห็นเครื่องทิพย์เศร้าหมองท่านรู้เลยตอนนี้ใครไปจะขอวิมาน แกจะตายภายในเจ็ดวันเนี่ยทำไมยังประมาทอยู่เวลานี่องค์สมเด็จท่านรมากูมาเทศโตะทำไมแกจึงไม่ไปฟังเทศตอบบุญบารมีท่านสุปฏิพิตาเทศบุตรพอได้ฟังมองดูตัวตายมองดูรักแร้ให้เหงื่อไหลตายแล้วเจ็ดเทวัิกินแน่เราคนนี้ <c oughs> นะแกดูเครื่รองทิ่ยก็บะมองรู้ตัวว่าจะตายนี่เทวดาที่มีอารมณ์เป็นทิ ถ้าตายจากความดำไปเทวดาเขาจริงถ้าไม่เด็กตายไม่ไวสติกแต่ก็เคลื่อนไอ้เขา่าตายจริงๆมันไม่มีคนเราก็ไม่ตายคนเราจะตายแล้วสจะตายพระพุทธเจ้าเกชะลังกาแต่ว่าทํากาละแล้วถ้ามาตายยังไม่ได้ตายเพราะมันไม่ตายก็รู้ดูตัวไอ้ถ้าเราจุติแกเทวดาเราเคลื่อนไปจากที่นี้เราจะไปเกิดที่ไหนก็ทราบบารมีเก่า ที่ฆ่าสตวชีวิตบันดีไม่ละเป็นพระไมเวนเป็นอาจินตกรรมต้องสเสวยสุขเวทนาในเวทีมาหานรกที่นหนะึ่งกลับแมะคุ้มครองป้องกันดีไม่เสร็จออกจากนรกบริวารแล้วก็ออกจากนรกคุ้มใหญ่ผ่านนรกบริวารสี่ขุมออกจากนรกบริวารสี่ขุมแล้วต้องผ่านยมโรกพิยานรกอีกสิทธิมไม่เหลือเลยก็ได้ทําครบเห็นไหม บารมีแก่แซงทรบทิศคุ้มผ่านหมดโอ้โหโ้โหโโหาตรใหแลว้วมาเป็นเปรตตามลาดับขั้นอีกอย่างละห้าร้อยเปรดอันดับหนึ่งเนี่ยนะจบเกมหนึ่งแล้วขึ้นใหม่ในห้าร้อยบาทละถึงเปรตอะดับที่1ิบสองอห้าร้อยคูณในสิบสองเท่าไหร่แย่ <c oughs> yeah. แล้วเปรตนี่ก็ไม่มีเวลาแน่นอนคนแจกเปรตก็มาไปรสุรกาย คนจ่าสุรกายมาเป็นสตรีฉันห้าร5อยชาติสัตตมันดานแล้วก็มาเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติมาเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเป็น ค, คนง่อยเบียดเสียขาห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติหู้นวกห้าร้อยชาติเป็นคนง่อยเพื่อเสกกรรมของปานาธิบตัตแล้วก็เป็นหู้นวกห้าร้อยชาติเพราะเสกกรรมที่ ส่งเสียงกลบธรรมะที่เขาจะฟังกันเขาจะพูดกันเขาบอกบุญได้ยินแล้วแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินตาบอดห้าร้อยชาติเห็นแล้วแกล้งไปไม่เห็นนี่ก็บอกบุญพ้นไปแลกไปพนบ้าห้าร้อยชาติก็เป็นเศตกรรมจตการหนึ่งสุราดมีอะไรพอรู้กฎขงกรรมสถานที่ไปแก่สบายใจที่จะเหงื่อแตกพลักอันนี้ไม่ใช่เหงื่อไหลเลยแกแรงเหงื่อแตกทั้นตัวเลย บอกาอาการประจารีว่าเพื่อนเลยไม่ไหวแล้วโอ๊วแย่เต็มทีนี่ช่วยด้วยดิาอาการปราชารีบอกไม่เ่าข้าช่วยแกไม่ได้ข้ า, ขาเป็นเทวดามันต่างทำไงคนที่จะช่วยได้เขาจะเปไ็นพระอินทรก็พาไปหาพระอินทร์ินนั้นบอกว่าด้วยใช้ก็แค่เทวดาน่ะเป็นนายแกแต่ก็เทวดานุ่นท่ า, ทาน ท, าที่จะช่วยได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าท่วยไม่ได้ต่อเอวังนะจ๊ะไปตามเรื่องใครก็พาไปหาพระพุทธเจ้ากราบผู้ใดสงทรารพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจดูด้วยองหน้าพระพุทธญาณว่าเทวดาองค์นี้ถ้าเราเทศอภิธรรมเจตกามีเนี่ยจะมีผลไหมที่พระองค์ก็ทราบด้วยญาน <c oughs> ว่าไม่มีผลนั้นก็เลยไม่เปรีาบถ้าจะเทศอะไรถึงจะมีผลมีทันดีกับผมเยอะตรงเนี้ย ก็ทรงแจวว่าพระเราเทศตุณนี้จะมีชัยชนะจะเป็นที่ประสบสอบปฏิยาสายวิบันดาองค์นี้นวเทศจบแล้วเธอยจะเป็นพระโสดาบันทิผลผลกรรมทั้งหมดที่ทํามาแล้วจะลบล้างไปเลยไม่มีโอกาสให้ผลองสมเด็จพระทศพลยมเทศตัวนี้จะมีชัยชนะพอจบข้ายก็เป็นพระโสดาบันโสดาบันเวลานี้ยังอยู่เวลานี้ยังอยู่มีวิมานสวยขึ้น มีเครื่องประประดาสวยขึ้นมีลักษณะกายสวยขึ้นนี่พูดในความถึงว่าถ้าจิตของเราของใสเนะี่ยที่ท่านบอกว่าก็สุดท้ายว่าจงทําจิตให้ของใสถ้าถึงแม้ว่าระยะ้ารความชั่วไปมากสัตว์ไรก็ตามทีถ้าเวลาเราจะตายถ้าลมของเรานี่จับแต่ส่วนในสิ่งที่เป็นอุศล น, นี่เขาไึกถึงคนเขพาพระพุทธเจ้าก็ไม่กี่นาทีก็ตาย เารใสายที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คนอื่นโกดไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าโกรธที่ น, นั้นจึงได้พบกับรรพระพุทธเจ้าอีกวาระหนึ่งเวลานี้ท่านเป็นชาลยก า, าใช่ไหนี่พูดจะว่าความดีของรรพระพุทธเจ้าที่เราควรจะตามนึกถึงว่าพระพุทธเจ้ามีความดีอย่างไรขึ้นหนึ่งสอนให้เราละความชั่วทั้งหมดว่าเราจะได้มีผลเป็นสุขเทั้งในชาติปัจจุบันและสัมราหลายพบ รายการนี้สองทรงสอนให้ละความชั่วและให้ประพฤติตัดความดีป <c oughs> ระการนี้สามทำจิตให้ผ่องใสนีกาว่ า, า, าจิตผ่อใสถ้าผ่อใสถึงที่สุดแล้วก็ไปนิพพานนั่นก็าผ่ใสนิดเดียวยังไปสวรรค์ได้แล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าอีกครั้งฟังเทศกทิจเป็นทศดาบนาันไดทอดเที่ต้องตกใบเยภูมิทั้งหมดเลิกกันอย่างนี้ไม่ใช่วล้ า, างบาป กแสดงว่ามีกําลังเหนือบาปบาปให้สามารถจะตามลงโทษได้นะคว่าบรรดาท่านทั้งหลายถ้าจะเจริญพุทธานุปสติกมาทานเราจะนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าอย่างนีเป็นประจําคนดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยเข้าพระนิพพานง่ายมีอารมณ์ของไใจดีแต่ถ้าว่าถ้าเรานึกถึงความดีเป็นอารมณ์ยินี้จิตจะทรงสมาธิไม่สูง ถากว่าเราจับภาพของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งเพ่งเป็นนึกสิงด้วยพร้อมกับใช้คำภาวนาว่าพทุทโธเท่านี้อ่ะจิตใจเข้าใช่มันจะเข้าถึงฌานกอเข้าได้ถึฌานสีความดีก็จะสูงขึ้น <c oughs> นี่คนที่นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รายกฎในวิสพิมักท่านบอกกับพร้าม น, นว่ า, านาันท์ะดูก่อ น, อนุน นี่ปรารภวะกะลิขินสาคัญว่าคนใดเกิดมาทันสถาคตมีชีวิตอยู่คนนั้นไม่จะนั่งเกาะชายสังสติของสถานตอยู่ก็ต่างแต่ว่าไม่เคยเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเลยเธอคือไม่เคยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเลยอย่างที่เราภาวนาว่าผโธคนประเภทนี้ตถฐาคตถือว่าเขาไม่เคยเห็นสถานกเลย ต่อไปเมื mm ่อตาขาคตรนี้ผ่านไปแล้วก็ดีหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ดีคนประเภทนี้ไม่เคยเข้าถึงตาขาคตแต่ว่าคนประเภทนี้จะนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติกรามฐานเป็นอารมณ์คนประเภทนี้ตาขาคตถือว่าเขาเกาะชายทั้งกะติกเขาตาข้าคตอยู่เป็นปกตินี่แสดงว่าใครเจริญพุทธานุสติกรรมฐานไม่มีอาการที่จะตกหล่ไม่มีทางเสี่องใช่ไหม เพาอะไรเพราะเราเกาะลถจักรไม่ใช่เกาะโบกี้ก็ความดีพระพุทธเจา้าในสูงสุดมากสมวงพา่านบอกว่าความดีพระพุทธเจ้าเนี่ยคําว่าพุทโธคําเดียวถ้าบอกว่าฝอยท่วมหลังชา้างคําว่าฝอยท่วมหลังช้างก็หมายความแค่เขียนธรรมธิบายความดีธรรมพุโทโธคําเดียวกันี้เขียนใส่กันดาษแล้วก็วางวางวางวางวา ง, วางเรียงเรีย ง, ร, ยงรอบตัวช้างเลยหลังช้างยังไม่หมด ยังไม่คุ้มกับความดีไม่เท่าความดีคุ้ ม, ม, ค, มคำว่าพระโพธิ์เจ้นั้นวันนี้เราก็พูดกันได้แค่พุทธานสุสติสมถานยอย่างเดียวมหาว่าท่านทั้งหลายถ้ามีศรัทธานะนี่หมายคือว่าเวลาเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาจริตไม่ว่าจิตหนักอยู่ในศรัทธาเชื่อว่าสวรรค์มีจริงพระมโรกมีจริงนิพพานมีจริงนรกมีจริงอะไรก็ตามการเกิดใหม่เป็นของจริงยังมีเ้เทลีบอกศรัทธาจริต ป้าจเจริญพระกรรมฐ า, านหกอย่างมีพุท ธ, ธานุสติสม า, านุสติลังคนุสติทิลานุสติกาธานุสติเทวตานุสติและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราเกาะความดีของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคุณอแล้วก็ประเจอที่สุดด้วยตรงนานุภาพมากคนที่คนที่จเจริญพุท ธ, ธานุสติกรรมฐ า, านานี้ท่าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดานะมีรัศมีะกายผ่องใสมากสว่างมาก นีม่มีหลายคนแหละแต่ปลาโรคไปพบว่าเห็นคนเขามีรัศมีากายทองใสกว่าถามว่าทําไมเราถึงไม่ไม่ไม่แข็เขาละ่ะถ้าไมไม่มีรัศมีากายเท่าเขาเราเป็นรรเทวดาเหมือนกันเขาบอกว่าคนนั้นเขาเจริญพุท ธ, ธานุปติกรรมฐ า, านอยู่เสมอในสมัยที่เป็นมนุษย์นี่เทวดาเขาดูบุญวาสนาบรารมีกันอิทตรงรัศมีกาย อามีรมักษณการสว่างมากก็สแสดงว่าเทวดาองค์นั้นมีอนุภาพมากมีบุญญาธิการมากถ้ามีลักษณะลักษณะการสว่างน้อยก็สแสดงว่าเทวดาองค์นั้นมีคอนุภาพน้อยคือมีบุญญาธิการน้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกล่าวว่าถ้าบุคคลใดเจริญพูดธานุนสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เป็นปกติคนประเภทนี้เข้าพระนิพพานง่ายกว่าการเจริญพระกรรมฐานอย่าง นี่เป็นอันวา่าการศึกษาพุท ธ, ธ, ธ, ธานิสติกรรมฐานก็เฮี้ยงหมดเวลากันเท่านี้นะแล้วก็จบเปนแค่นี้เพราะว่าพูดไปไรแสแน่นั้นแหละนะตั้งใจว่าสอนให้อยู่ปืนพักมัพักได้อระราหังสมัยสมุทโภคตัธธตวา พุทธังพรกวนังอาภิวาเดมิสุวัตถาโตภตวัตตาธมุสอัมังนะมัสสามิ Mm hmm. สุภาสีป<ส>ันโนภะวะโตสาวะกะชังโสาสปันโนภะวะสาวกะังโคดังน<ส>ังนมานิ